บดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปดังได้กล่าวมานานแล้วว่าการที่พระพุทธีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงอารมณ์ของกรรมฐานไว้ในมหาสติปัฏฐานในสรเป็นย1บอดอารมณ์นั้นเพื่อให้คล้อยตามจริต อัธยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปคืออารมณ์บางประการจะไม่เป็นที่สบายไม่ น, นอนน้อมก็หาความสงบสำหรับบุคคลบางคนแต่ก็เป็นที่สบายอาจ น, นอนน้อมก็หาความสงบได้สาหรับบุคคลบางคนดังนั้นจึงทรงตรวจสอบในส่วนที่เป็นจริตและปัญญา ของบุคคลที่แตกต่างกันจึงทรงวางธรรมะในลักษณะหลากหลายในส่วนของกายานุปัสสนาก็ว่ากันมาแล้วโดยลําดับแต่ในส่วนของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกหรือตามดูซึ่งเวทนานปรากฏขึ้นแก่ตนเป็นกรรมาฐานที่ทรงแสดงเพื่อให้คล้อยตามจริต ของบุคคลที่มีตัณหาจะดิบอ่อนปัญญาแก่กล้าบุคคลประเภทนี้จะไม่ติดในส่วนรูปธรรมที่หยาบยาบแต่จะมาติดอยู่ในสุขเวทนาที่มีประการต่างๆซึ่งจะพบว่าท่านที่ติดอยู่ในสุขเวทนานั้นท่านจะติดเรื่อยไปแม้ในส่วนที่เป็นผลแห่งฌานที่ท่านเรียกว่าติดฌานบ้าง ติดสมาธิบ้างเป็นต้นไม่ต้องกล่าวถึงในระดับที่ลดตันกันลงมาเช่นติดความสุขที่เกิดขึ้นจากการนั่งการนอนการพักผ่อนการเที่ยวเสพเป็นต้นซึ่งดวนแล้วแต่เป็นการติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นทั้งนั้นทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในด้านของตันหานั้นไม่ถึงเกิดรุนแรงแต่ไม่ได้หมายความมาไม่มีตัหาคือจะติดในส่วนที่ประณีตลึกซึ้งลงไป แท้จริงแล้วลักษณะของตันหานั้นแม้ในส่วนอารมณ์ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทรงแสดงในข้อแรกนั้นก็จะพบว่าพื้นของตันหาก็แตกต่างกันอย่างคนที่ตันหาหยาบมากที่สุดก็ต้องมาเจริญป่าช้าทั้ง9ล้ารูซากศพแต่คนที่ตันหาไม่ยาบรุนแรงอะไรก็จะเริ่มมาที่ธาตุสีหรือแยก ร่างกายออกเป็นสาสสองส่วนแต่ถ้าถ้าตัณหาที่อ่อนลงไปกว่านั้นหน่อยก็มาใช้เฉพาะส่วนของอาณาปานสติหรือใช้สติระลึกถึงอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยต่างๆให้สติระลึกรู้เท่าทันอิริยาบถเหล่านั้นก็สามารถที่จะโน้มใจเข้าหาความสงบได้แล้วท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์จิตของบุคคลตรวจสอบจิตใจของตนดูว่า อารมณ์อะไรที่เป็นที่สบายสาหรับตนจะสามารถที่จะส ง, งบความดิ้นรนทะเยอทยานอยากของใจลงไปได้ก็ใช้อารมณ์เหล่านั้นในการกาหนดระลึกบุคคลประเภทตัณหาจริตที่อ่อนลงมาก็จะติดอยู่ในส่วนของสุขเวทนาเวทนานั้นแปลว่าความเสวยอารมณ์เป็นขันหนึ่งในขันทั้งห้าประการ แต่ว่าเป็นส่วนของนามะขันเป็นงานนั้นเป็นหน้าที่ของจิตซึ่งทําหน้าที่เสวยอารมณ์อย่างที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปพระพุทธศาสนาสรุปไว้เป็นนามะรูปกับกายกับจิตเท่านั้นเองและมาสรุปในส่วนใหญ่เอาไว้ก็เป็นเรื่องของขันทั้งหประการส่วนรูปก็เป็นกายหรือรูปประคันส่วนเวทนาก็คือจิตที่ทําหน้าที่เสวยอารมณ์ สัญญาก็คือจิตที่ทำหน้าที่จำสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตดีบ้างไม่ดีบ้างกลางกลางบ้างส่วนบิญญาณก็คือจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสซึ่งงานตั้งสประการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานของจิตด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเรื่องของเวทนาจึงมีเหตุมีปัจจัยที่เกิดสืบเนื่องกันมาและปรากฏ แก่บุคคลในสองทางด้วยกันคือทางกายกับทางใจแต่เวทนาที่เกิดที่กายถ้าหาก็ไม่มีใจครองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าร่างกายที่มีใจครองอยู่ก็เกิดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเพราะใจไปกำหนดในเวทนาเหล่านั้นในชั้นของการศึกษาเฉพาะในที่นี้ทรงแสดงให้บุคคลผู้ปฏิบัติ กำหนดระลึกรู้เวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆจนเมื่อสุขเวทนาปรากฏขึ้นก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยสุขเวทนาเป็นต้นแต่ประเภทของเวทนาที่ใช้กำหนดระลึกกรรมาฐานนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทรงแสดงแก่ใครผู้ฟังมีพื้นเพอัตยาสายมีวาสนาบารมีแก่กล้าพอที่จะจำแนกแยกแยะเวทนารู้เท่าทันหรือไม่ ถ้าหากว่าโดยทั่วๆไปก็อาจจะแสดงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองคือเป็นรูปของเวทนาขันเท่านั้นแต่ในที่บางแห่งจะทรงจำแนกแสดงในส่วนย่อยออกไปเป็นเวทนาสามประการคือแยกออกเป็นส่วน ส, สุขเวทนาคือความสบายกายและความสบายใจซึ่งบุคคลสัมผัสได้เสมยอยู่ในขณะนั้นนันก็เรียกว่าสุขเวทนา ทุกเวทนาก็คือคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจอาการที่กายในใจถูกแผดเผาด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยกิเลสด้วยความรู้สึกโทมนัสน้อยใจเป็นต้นก็เป็นส่วนของทุก ข, กขเวทนาแต่บางครั้งจิตมัธยัตเป็นท่ามกลางไม่ตกลงไปในฝ่ายของความสุขหรือความทุกข์เราก็เรียกว่าอทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนาทเวทนาที่เป็นกลา ง, ลางแต่ในที่บางแห่งถ้าผู้ฟังมีสติ เป็นไปได้เร็วมีสัมปชัญญะมากพอก็จะทรงจำแนกแสดงเวทนาออกไปเป็นหหรืออาจจะแสดงเวทนาออกไปเป็น9หรืออาจจะแสดงเวทนาออกไปเป็น6แล้วกระจายออกไปเป็น18เป็น32แล้วกระจายออกไปเป็นร8อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสติของบุคคละระดึกทันขนาดไหนเนื่องจากพอพูดถึงเวทนาแล้วเป็นเรื่องของขณะเท่านั้นเองเวทนาแก่ไม่หยุดนิ่ง ไม่ได้อยู่กับที่แกมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแกเองตลอดเวลาในขณะที่จิตกําหนดระ ล, ลึกรู้สุขเวทนาอยู่นั้นบันที่สุขก็เปลี่ยนไปแล้วเรออา จ, จะสุขเพิ่มขึ้นเรา จ, จะสุขน้อยลงหรืออาจจะคงอยู่นิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะพลิกอีกกลับด้านหนึ่งขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาก็ได้เพราะฉะนนาสติไม่เป็นไปเร็วมากพอการที่จะไประลึกรู้เวทนาซึ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็เป็นการยาก แต่ว่าเนื่องจากในมหาสติปฐานนสูตรผู้ฟังมีพื้นฐานทางสติปัญญาสูงและมีจิตใจโน้มน้อมอยู่ในเรื่องของสติปฐานเป็นปกติแม้แต่เป็นเด็กเป็นคนหรือตลอดถึงนกแขกต้าภายในสถานที่นั้นก็ ไ, ได้รับการสั่งสอนให้มนศิการถึงอารมณ์ของกรรมฐานอยู่ เวลาประสบกับภัยอันตรายสามารถปล่อยวางในสังขารธรรมทั้งหลายได้โดยไม่ยึดติดไม่วิตกกังวลหรือไม่กลัวแม้แต่ความตายประมองเห็นร่างกายเป็นเพียงแต่กลุ่มของกองกระดูกที่ท่านเล่าถึงนกขี ต, กขต้าวนกแขกต้าวพุทธรักขิตในต้นเรื่องของพระสูตรว่าภิกษุนีท่านสั่งสอนให้นกแขกต้าเจริญอธิกะสัญญา ให้มองเห็นร่างกายเป็นเพียงกองกระดูกเท่านั้นเสร็จแล้วท่านก็เมื่อนกแขกต้าพูดได้มากขึ้นท่านก็อธิบายเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นกองกระดูกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนกแขกเต้าหรือเป็นสัตว์เหล่าอื่นก็ตามรดูแล้วแต่เป็นกองกระดูกเท่านั้นโอกาสหนึ่งก็จะต้องแตกทําลายแยกสลายไปดินก็จะเป็นดินน้ําก็จะเป็นน้ําลมก็จะเป็นลมไปตามธรรมดาของธาตุขันด้น นกแขกต้าซึ่งเป็นสัตว์ดิเราชาญสามารถที่จะอาศัยความเข้าใจเพียงเล็กน้อยของตัวเองเวลาเผชิญกับการคุกคามของนกเกี่ยวซึ่งเชียวกักไปภิกษุนีพยายามไล่ให้นกปล่อยก็ไม่ปล่อยแต่ในที่สุดแกก็ปล่อยเมื่อนกแขกต้ากลับมาพิกษุนีถามว่าเธอคิดอย่างไรในขณะที่เชียวเชียวไปแกบอกว่าก็ไม่ได้คิดยังไง ยี่แต่เพียงว่ากองกระดูกกำลังกองกระดูกกำลังนำพากองกระดูกไปในที่หนึ่งแล้วก็จะตกเรี่ยวรายอยู่ในที่หนึ่งจะหมายความว่าแกมองเห็นแกเองก็เป็นกองกระดูกกองหนึ่งเหยวเองก็เป็นกองกระดูกกองหนึ่งเหยื่อแกจะกินแก่แล้วเสร็จแล้วกองกระดูกแกก็จะตกเรี่ยวรายอยู่ในที่หนึ่งและแม้กองกระดูกคือเหยื่อก็จะตกเรี่ยวรายอยู่อีกในที่หนึ่ง ซึ่งความเข้าใจในลักษณะนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงความรู้เห็นระดับของสัญญาคือความจำตามรูปแบบเท่า น, นั้นเองภิสุนีจะแนะนำสั่งสอนไว้อย่างไรนกแคร์ตา ก, ก็ตอบได้เข้าใจไปเพียงเท่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือขจัดความหวาดความกลัวความสะดุ้งที่เกิดขึ้นเพราะภัยอันตรายผู้คามลงไปได้ ดังนั้นพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงในส่วนของกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเพราะพื้นฐานของคนฟังมีมาตรฐานสูงและมานัสสิการสนใจอยู่ในธรรมะเป็นปกติขิดหนึ่งนิดจึงหลากหลายออกไปทุกข้อเลยในส่วนของเวทนาแทนที่จะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ทรงกระจายออกไปเวทนาถึง9ประการด้วยกัน ซึ่งตอนนี้ทนนั้นการจำแนกแยกแยะให้เห็นเวทนาชัดเจนออกไป9ก้าประการว่าเวทนานี้เป็นเวทนาอะไรนั้นตัวการสำคัญคือสติมาความมีสติที่จะต้องแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาไม่พลากไปจากอารมณ์ไม่มีคำว่าเผลอเรอหลงลืมหรือความเรือนหลงแห่งสติ สติที่จะเป็นไปได้เช่นนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกปรือการอบรมการกระทำบ่อยๆที่ทรงใช้คำว่าภาวิตาภูริกตาอบรมกระทำให้มากอบรมกระทาให้มากเพราะในส่วนของปริยัติแล้วอาจจะหลากหลายออกไปด้วยวิธีการต่างๆแต่ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นเองบางครั้งรายละเอียดของธรรมะมีลักษณะเหมือนกับแผนที่ แสดงรายละเอียดของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วเรารู้เส้นทางสมหรับไปในสถานที่นั้นก็พอแล้วไปให้ถูกสถานที่นั้นรายละเอียดจะไปพบไปเห็นในสถานที่นั้นเองการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นปัจจัยที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิต ประจําวันของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติก็คือสติกะสมชนะหรือสติกปัาญญาและมีความเพียรพยายามที่จะระลึกรู้ในอารมณ์ต่างๆไม่ได้เจาะจงเฉพาะในรูปแบบพิธีรีตองของการประพฤติปฏิบัติแต่แม้ในภารกิจการงานต่างๆที่ท่านใช้สม น, นวนว่ามนสิการทังอารมณ์ของกรรมฐ า, าน คือการกรรทํางานอะไรก็ตามจะมีใจจดจ่อยอยู่ในเรื่องเหล่านั้นจะเป็นการ <c oughs> เป็นการฝึกปลือเสริมสร้างกำลังของสมาธิสมังของสติกำลังของสัมปชัญญะและแรงของความเพียรให้มีกำลังสูงขึ้นเพื่อให้บุคคลพร้อมที่จะกำหนดระลึกดูเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆสติมา แปล ว, ว่าความเป็นผู้มีสติเป็นลักษณะสั้นไปในอารมณ์นั้นๆเป็นลักษณะของตามระลึกเป็นลักษณะของความรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นระลึกทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอย่างที่เคยกล่าวมาอยู่เสมอว่าสติในขั้นของการใช้งานในชีวิตประจําวันนั้นในเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามฝึกปลือให้ระลึกได้ ระลึกทันและนึกออกไม่ว่าในกิจการงานอะไรก็ตามงานทั้งสามอย่างนี้เมื่อพูดเป็นถ้อยคําแล้วก็เป็นเรื่องที่ออกจียาวแต่ในชั้นของการปฏิบัติจะเห็นว่าสติเกิดดับไปตั้งสามสี่ขณะด้วยกันคือระลึกทันระลึกได้นั้นเป็นการระลึกถึงเรื่องราวในอนดีตทั้งส่วนดีและไม่ดีเป็นการระลึกได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทำอยู่ระลึกรู้อยู่ก็ระลึกทันอยู่ตลอดสติเป็นตัวแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ที่กาหนดระลึกในขณะนั้ น, น, นและเมื่อระลึกไปแล้วก็นึกได้นึกออกว่าได้ทำไปอย่างนั้นได้พูดไปอย่างนั้นได้แสดงไปอย่างนั้นในชัย์ของกลของการดำรงชีวิตถ้าสติเป็นไปได้ทั้ง3มจังหวะเช่นนี้ความทั่งพลาดต่างๆก็จะเกิดขึ้นน้อย ถ้าเป็นงานหยาบๆแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ในชั้นของรายละเอียดคือในขณะของแต่ละขณะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบางครั้งก็อาจจะขาดหายไปในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลระลึกไม่ทันดังนั้นในส่วนของสติจึงจะต้องระลึกโดยนิยะที่กล่าวแล้วและปิดกั้นกระแสระลึกทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นและปิดกั้นกระแสของอารมณ์ได้ด้วย อารมณ์อะไรที่เป็นอุปสรรคของความสงบสติจะทําหน้าที่ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เหล่านั้นเพราะเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดไปพูดโดยภาษาธรรมดาสามัญแล้วหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือพัฒนาสติกับปัญญาเท่านั้นเองเพราะสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์กิเลสที่มีรูปแบบต่างๆเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปก็ชื่อว่าหมดสิ้นไป ที่นในส่วนของสัมปชัญญะหรือบางทีในที่นี้ทรงใช้คําว่าสัมปชาญญนะที่แปลว่าความรู้ทั่วพร้อมนั้นผู้ปฏิบัติก็จะพบว่าเวทานานั้นเกเรวเร็วกว่ากายมากถ้าหากว่าความรู้ไม่ทั่วพร้อมคือไม่ทันต่ออารมณ์ต่อเวทานาที่ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นการที่จะรู้เวทานาได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นในชีวิตประจําวันของบุคคลจึงจําเป็นจะต้องพยายามเสริมสร้างในส่วนของสัมปชัญญะให้มีกําลังเป็นไปแรงกล้ามากขึ้นเช่นโดยการจําแนกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะอไรเพราะเวทานานั้นแก่เป็นผลที่เกิดมาจากกระบวนการของประสาทสัมผัสไม่จช่วันนี้หนึ่งแกจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าในตอนแรกบุคคลสามารถจําแนกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ในกรณีที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดใช้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ปล่อยให้ผ่านเข้ามาเป็นรูปของเวทนาเพราะในชั้นของกระบวนการเกิดแห่งเวทนาที่ท่านเรียกว่าเวทนาุบส่งแสดงขั้นตอนของการเกิดว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยและปัจจัยนั้นมีมา ก, กเกินเัจจัยใจหญ่ใหญ่ก็คือว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก ยานาภายในก็คือตาหูจมูกลิีนกายใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแต่ถ้ามีเพียงสองประการนี้ก็ยังไม่เกิดอย่างในกรณีของตาก็ต้องมีทั้งตามีทั้งรูปมีทั้งแสงสว่างมีทั้งมนานะสิการคือความใส่ใจที่จะดูว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรแล้วจึงเกิดเป็นจักุวิญญาณคือความรู้ทางตาขึ้นมาต่อแต่นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผัสสะคือการกระทบ ระหว่างอายตนาภายในภายนอกและวิญญาณก็กลายมาเป็นผัสสะจากผัสสะก็จะเกิดเป็นเวทนาแต่เวทนานั้นจะพบว่าบางเวทนาเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเชื้ออันมีอยู่ก่อนภายในใจคือเกิดเป็นชอบกระชังขึ้นมาสัมผัสก็แสดงความชอบความชังเพราะชอบก็เกิดเป็นสุขเวทนาชังก็เกิดเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าก็ต้องอาศัยพื้น คือการกำหนดอารมณ์ในอนดีตของเราเช่นสมมติว่าตาไปเห็นรูปคนเพื่อนที่รักซึ่งจากไปนานภายในใจบุคคลในเก็บความรักความคิดถึงความ่วงใจความอาลายัยอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อสดกับรูปเช่นนั้นสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นแต่บางครั้งบางคราวไปประสบรูปหรือฟังเสียงดนตรีนิมรตก็ตามก็แนวเดียวกัน ที่เราเก็บไว้ในทำนองที่เป็นจตรูเป็นคนที่ไม่ชอบพอความรู้รูปเหล่านั้นก็เกิดขึ้นพอสัมผัสเกิดขึ้นก็กำหนดเป็นชังรอชังก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานี่เป็นกระบวนของเวทนาจึงจะพบว่าคล้ายๆกับว่าเป็นสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีกำแพงอยู่หลายชั้นกว่าจะผ่านมากลายเป็นเวทนาได้มันก็ต้องผ่านมาหลายด่าน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของนามธรรมาและเป็นงานของจิตซึ่งเกิดดับได้เร็วมากการกําหนดให้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นการกําหนดได้ยากปัจจัยที่บุคคลจะต้องเสริมสร้างขึ้นในชีวิตประจําวันคือต้องฝึกปลือเอาไว้โดยในยะทั้งที่กล่าวแล้วที่จะต้องพยายามจําแนกรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในกรณีที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ใช้สติปิดกั้นกระแสของอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ อย่าให้เกิดเป็นในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ให้เกิดทั้งทั้งชอบทั้งชังเพราะถ้าชอบมันก็เพิ่มกิเลสสายราคะสายโลภะขึ้นมาแต่ชังมันก็เพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นมาแต่เมื่อเพิ่มกิเลสสายใดสายหนึ่งก็ตามก็จะเพิ่มความเข้มข้นของโมหะขึ้นมาท่านก็สอนให้สํารวมระหว่ังตั้งแต่จุดนั้นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้บางครั้งก็เรียกว่าเป็นการสํารวม สำรวมระวังเอาไว้การสำรวมใจนั้นจะไม่อื่นไปจากสี่แนวที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้บุคคลประมาทคือระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจอย่าให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจอย่าให้มโหเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมโหเมาก็จบ ไม่ว่าจะหลากหลายวิธีพูดออกไปอย่างไรก็ตามอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใ จ, จนั้นจะมีอยู่สีแนวนี้เท่านั้นเองคือถ้าเกิดกับหนัดกิเลสสายโลภะราคะเพิ่มการเครื่องโทสะเพิ่มลุ่มหลงโมหะเพิ่มมัวเมาความประมาทขาดสติเพิ่มเมื่อเพิ่มก็ไปสลายธรรมะทึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้น ด้าการระวังใจก็ดีการจำแนกอารมณ์ก็ดีปิดกั้นกระแสะแห่งอารมณ์ก็ดีสํารวมระวังอารมณ์ก็ดีหรือแม้แต่รูปศักดิ์เตย์วรูปที่ทรงสอนโดยวิธีการต่างๆสรุปแล้วต้องการปิดกั้นกระแสะของอารมณ์สีแนวนี้เท่านั้นเองทีนี้ถ้าอารมณ์ที่ตรงกันข้ามเช่นว่าอารมณ์เป็นไปเพื่อความคลายกาหนัดเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทีเดียว อารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความคลายขัดเครื่องคลายลุ่มหลงคลายมัวเมานั้นก็ปล่อยเข้ามาเลยเพราะจำแนกได้ว่าอารมณ์นั้นเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นบุญที่จะเกื้อกูลแก่จิตใจของตนผู้ประพฤติปฏิบัติทีนี้การฝึกปลือนั้นเจอพบว่าวิธีการฝรึกปลือก็คือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางกายกับบุคคลกับสถานที่กับเหตุการณ์กับกรณีด้านั้น อะไรก็ตามที่เป็นแรงกระตุน้นความกําหนัดเกิดเคืองรุ่มหลงหมวกเมาก็พยายามปลีกกายห่างออกไปจากสถานที่นั้นดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงมักเน้นสถานที่เข้าเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าในขณะนั้นใจก็ไม่แข็งมากพอสติก็ไม่เกิดสูงพอสามาธิญ่าเองก็ไม่มากพอ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยสถานที่เขาช่วยเหลือเป็นการหลีกเร้นไปหาความสงัดเงียบจากอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดกระคึือนรุ่มลง ม, ม, มัวเมาเหล่านั้นถึงแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็สงช้ยอย่างนี้พระหันทั้งหลายเองก็สงช้ยอย่างนี้คนที่บรรลุมรรคผลเป็นพระริยาบุคคลในถ้มกลางแสงเสียนวิจิตไม่ใช่ไม่มีมีอยู่เหมือนกันแต่มีเป็นจำนวนน้อย อนนี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีของแต่ละท่านที่ท่านเห็นแสงเสียงวิจิตเหล่านั้นแล้ววาสนาบา ร, รมีในอดีตหรือบา ร, รมีธรรมในอดีตได้เกิดขึ้นภายในใจมาผสมกับญาณปัญญาความรู้ของท่านที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็เกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาได้อย่างเช่นพระยะสะทะัทเธออย่างที่ทราบกันเป็นต้นนี่ก็เกิดญาณปัญญาขึ้นท่ามกลางแสงเสียวิจิต เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดขึ้นในถ้ำกลางบรรยากาศในลนักษณะนั้นแต่ตามปกติแล้วก็ต้องอาศัยการไม่ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆปัจจัยแห่งธรรมะที่ทรงสดแสดงไว้เป็นภาคพื้นเบื้องต้นตั้งแต่การไม่ครบพรานการครบบันฑิตเป็นต้นมานั้นที่จริงล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหมด ที่จะเสริมส่งการประพฤติปฏิบัติคล้ายๆการเรียนก ข, ขกามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การเรียนรู้ในปัจจุบันดําเนินก้าวหน้าไปได้ทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ต่างก็เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือวิถีของความคิดซึ่งมักจะเป็นปัญหาวสติระลึกไม่ทันแต่นั้นในชีวิตของบุคคลเราแม้แต่จะหลับจะนอนอยู่ ก็อาจจะกำหนดระลึกรู้วิถีทางของวิตกได้คือความตึกนึกของจิตที่แล่นไปในอารม์ น, นั้นก็จะแล่นไปในทางไหนแต่ก็แล่นไปในทางที่เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลส ท, ทั้งหลายก็หยุดความคิดเหล่านั้นซึ่งในแง่ของความคิดเมื่อมอ ง, มองเทียบกับสี่จุดดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องแนวเดียวกัน คือการวิตกจึกนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจปยาบาดวิตกนึกถึงด้วยความมาคาดแค้นริงชังวิญญาสาวิตกนึกคิดด้วยเรื่องต้องการจะเบียดเบียนดูความพินาศความเดือดร้อนต่างๆก็คือกลุ่มของความคิดที่ส่งสอนให้ระมัดระวังนั่นเองและก็คือกลุ่มของอกุศลได้แก่ความโรคกรดลงนั่นเองแต่แก่เกิดขึ้นฟูขึ้นจึกนึกขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆ ถ้าหากว่าจิตแกเล่นไปในอารมณ์เหล่านั้นต้องระลึกทันปัญหาสําคัญว่าการระลึกทันนั้นแมในการทํางานโดยทั่วไปก็แก้ไขปัญหาได้ที่มันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความพิบัติเดือดร้อนก็ร ะ, ระลึกไม่ทันความระลึกทันจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อมากําหนดระลึกดูที่เวทนาดีประการหนึ่งคือลักษณะที่เกื้อกูล การประพฤติปฏิบัติซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่บาลีท่านใช้คําว่าสัพพายะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นที่อยู่เป็นอารมณ์เป็นบุคคลเป็นธรรมะที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆอาจจะเป็นอากาศเป็นฤดูเข้าไปเป็นนั้นมากและสําคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าเผลออย่าลง ถ้ายังเผลอยังหลงอยู่หมายความว่าสติเป็นไปได้ช้าเลึกรู้ทันอารมณ์ไม่ได้สามปัญญายาเองก็มีกำลังไม่มากพอการฝึกปรือในส่วนเบื้องต้นแม่แต่ว่าแม้แต่ที่ปฏิบัติในอนาปานสติกรรมฐานเป็นต้นก็ดีนั่นที่จริงก็พอๆพอกับเวทนาการกำหนดระลึกลมหายใจเข้าออกบางครั้งแกอาจจะเร็วกวเวทนาไปหน่อยอยาจจะช้าวกวเวทนาไปหน่อย เวทนาบางครั้งแกกเกิดดับเร็วกว่านั้นแต่เวทนาบางอย่างมันก็ดูแล้วคล้ายนานแต่อย่าลืมว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วแกเกิดดับในลักษณะที่ถี่ยิบเหมือนกันดังนั้นการตั้งสติระลึกรู้ที่เวทนาในส่วนของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมีฐานของใจที่อาศัยความเพียรอาศัยความมีสติและอาศัยสัมปชัญญะคือสัมปชาณะนังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงเวทนาออกไปถึง9ก้าเวทนาด้วยกัน mm. การจำแนกเวทนาเก้านั้นไม่ใช่จำแนกตามประสาสัมผัสแต่จำแนกในเวทนาหลักคือทุกเวทนาสุขเวทนาและอทุกขมัสุขเวทนาคือ ไม่จะทุกข์ไม่จะสุขเวทนาแต่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในเวทนาแต่ละเวทนาที่บังเกิดขึ้นเอาเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บังเกิดขึ้นโดยแยกเป็นสุขเวทนาสามิ ส, สุขเวทนานิรามิ ส, สุขเวทนาคือสุขเองก็แยกเป็นสามตัวแทนที่จะมองเฉพาะสุขเฉย สุขเฉยๆระลึกไม่ค่อยทันอยู่แล้วพอแยกเป็นสามสุขเลยก็ไปกันใหญ่เพราะถ้าหากสติสมามัญชนยะไม่เป็นไปมากพอในชั้นปฏิบัติไม่ต้องไปดูขนาดนั้นดูเฉพาะสุขก็เห็นเดี๋ยก่อนดูปนๆกันไปไม่ต้องวิเคราะห์ไปถึงเหตุปัจจัยของสุขเวทนาเหล่านั้นเพราะเป็นลักษณะของการไต่บันไดถ้าเราเดินไวไม่ได้เราไม่เอาขนาดนั้นเอาขนาดนี้ไปก่อนดูเฉพาะเวทนาที่เกิดอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเอง ปรากฏเป็นอะไรก็ดูรวมๆไปอย่างนั้นไปก่อนแล้วค่อยว่ากันวันหลังเมื่อจิตใจเมื่อสติเมื่อสัมปชัญญะเมื่อความเปลี่ยนเป็นไปแรงกลาก้าก็จะมองแยกแยะไปเองแต่ในชั้นต้นให้ดูเฉพาะเวทนาคือเราเลืกรู้ไปเมื่อสุขเวทนาบางเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขเวทนาบางเกิดขึ้นขณะนี้เรากาลังสเสวยสุขเวทนาอยู่ กสติระลึกรู้อยู่ที่สุขสมาชัญญะเองก็รู้อยู่ที่สุขที่ท่านใช้คาําระลึกรู้มีความเพียรเป็นแรงดันให้สติสมัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ที่เวรธนาเราดังนั้นในที่สุดจิตใจของบุคคลก็จะสงบอยู่กับเวทนาอย่าลืมว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้ว ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นเมื่อสงบอยู่ในเวทนาสมาธิก็จะวังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นตามสมควรแก่การระพฤตปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป